การมาวัดก็เป็นเหมือนกับการไปที่ธนาคารเวลาเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราต้องไปแลกเงินสกุลต่างๆไปฝรั่งเศสก็ต้องแลกเงินของประเทศฝรั่งเศสไปญี่ปุ่นก็ต้องไปแลกเงินของประเทศญี่ปุ่นเพราะเงินไทยไม่ เอาไปใช้ในต่างประเทศไม่ได้ฉันใดพวกเราคือใจของพวกเราที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายต่อไปก็ต้องแยกจากร่างกายก็เหมือนกับเราต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปเราต้องไปสู่อีกโลกหนึ่ง โลกนี้ก็มีอยู่สามประเทศด้วยกันที่เราเรียกว่าโลกทิพย์โลกทิพย์ก็มีอยู่สามประเทศใหญ่ๆที่เราต้องการไปกันคือโลกของเทวดาโลกของพรหมและโลกของพระอริยบุคคลพระอริยเจ้าถ้าเราไม่ได้ แลกเงินตราไปเราก็จะไม่สามารถไปอยู่ในโลกของเทพบโลกของพรหมโลกหรือของโลกของพระอริยเจ้าได้ถ้าไปอยู่ก็ไปอยู่แบบขอทานไปไม่ได้ถ้าไม่มีเงินเขาก็ไม่เขาก็ส่งกลับเพราะว่าไปอยู่ที่นั่นเดี๋ยวไป เป็นขอทานเขาก็ไม่ให้เราเข้าประเทศนะครับที่สกุลเงินสกุลต่างๆนี้ก็ก็ไม่เหมือนกันเงินของเทวโลกก็เป็นเงินอย่างหนึ่งเงินของพรหมโลกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเงินของพระอริยเจ้าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเราต้องรู้ว่าเราจะไป อาโลกไหนถ้าเราจะไปโลกของเทวโลกของเทวดาเราก็ต้องทำบุญทาทานรักษาศีลอันนี้เป็นเงินตราที่เราจะต้องเอาอไปแลกเปลี่ยนให้เกิดเป็นเงินตราของสกุลของเทวโลกต้องรักษาศีลห้าเราก็ต้องทำบุญทําทาน ทำมากทำน้อยรักษาศีลห้าได้มากได้น้อยก็จะทำให้เราไปสู่เทวโลกชั้นต่างๆเทวโลกนี้ไม่มีอยู่ชั้นเดียวมีอยู่หลายชั้นด้วยกันขึ้นอยู่ที่ว่าเราทำบุญมากทำบุญน้อยเทวโลกชั้นสูงก็จะมีความสุข มากกว่าเทวโลกชั้นต่ำทำบุญมากรักษาสีห้าได้บริสุทธิ์ก็ได้เทวโลกชั้นสูงทำบุญน้อยรักษาสีห้าได้บริสุทธิ์แต่ทำบุญน้อยกว่าก็ได้เทวโลกชั้นที่ต่ำกว่าคือได้ความสุขที่น้อยกว่าเหมือนกับที่เราไปอยู่ต่างประเทศ ถ้าเรามีเงินติดตัวไปมากเราก็อยู่โรงแรมที่มีดาวมากได้มีเงินมากก็อยู่โรงแรมระดับห้าดาวได้ถ้ามีเงินน้อยก็อาจจะอยู่โรงแรมระดับสองดาวหนึ่งดาวหรือถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะไปอยู่ตามเกสต์เฮาส์เป็นพวกแบกเป้ไป อันนี้ก็อย่างน้อยก็ยังได้ไปอยู่นี่คือเงินที่เราจะไปใช้ในเทวโลกเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้วนี่ตอนนี้เราสามารถเลือกที่ไปได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับทรัพย์ภายในที่เราจะเอาติดตัวไปถ้าเราจะไปอยู่เทวโลกเราก็ต้องอย่างน้อยต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปลดละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆนอกจากสุราก็ต้องละเว้นจากการ เ, าเล่นการพนันละเว้นจากการเที่ยวเตย ละเว้นจากความเกียดคร้านละเว้นจากการคบกับคนที่ชอบอบายามุขเนี่ยเพราะการไปเสพอบายามุขนี้จะทำให้เราไม่มีเงินไปทำบุญนั่นเองไม่มีเงินไปทำบุญและอาจจะทำให้เรารักษาศีหน้าไม่ได้พอเงินทองหมดก็อาจจะต้องไปลักขโมยไปช่อกง เพราะคนที่เสพอบายมุขนี้จะไม่ค่อยได้ทำงานเวลาต้องการเงินก็เลยต้องไปช่อโกงหรือไปลักทรัพย์นี่คื อ, อสิ่งที่เราต้องเลิกกระทำให้ได้คือเลิกเสพอบายมุขแล้วเลิกการกระทำบาป นอกจากนั้นเรายัางต้องทำบุญถ้าเราไม่ได้ทำบุญถ้าเราเลิอกกระบายมุกได้รักฐาศีห้าได้เราจะไปเทวโลกไม่ได้เราไปได้ก็แค่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างน้อยก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราระเว้นการ ก็ทำบาปละเว้นการเสพอบา ย, ยามุกได้เราก็จะปิดประตูของอบายอบายนี่เป็นเหมือนคุกตารางที่ดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วจะต้องไปติดจะต้องไปรับใช้โทษที่ทำไว้ไม่เป็นดวงวิญญาณที่มีความหิวโหยก็เรียกว่าเปรต ไ ป, ปไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวก็เรียกว่าผีหรืออสุรกายถ้าไปเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเกลียดแค้นก็เรียกว่านารกหรือถ้าจะกลับมามีร่างกายก็จะไม่ได้ร่างกายของมนุษย์จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน ในร่างกายของแมวของสุนัขของวัวของควายของสัตว์ต่างๆที่มีอยู่ในป่านี้พวกนี้เขาทำบาปกันเขาไม่เขาเสพอบายามุกกันพอตายไปก็เลยต้องไปอยู่ในอบายตามเหตุของการกระทำบาป ทำบาปด้วยความหลงก็ไปเกิดเป็นเดราชาน์ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเกิดเป็นเรดทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเกิดเป็นผีเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกถ้าละเว้นการกระทำบาปได้ ละเว้นการเสพอบายามุกได้ก็จะไม่ต้องไปอบายตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยเพียงแต่ต้องไปรอคิวรอจังหวะว่าที่ไหนมีการสร้างร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาพอมีร่างกายของมนุษย์ถ้าไม่มีใครไปจับจองดวงวิญญาณที่พร้อมจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไปจับจองได้ทันที อันนี้ก็เป็นเรื่องของการละเว้นการเสพอบายามุกละเว้นจากการกระทําบาปทั้งปวงจะทําให้ดวงวิญญาณไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุลกายไปนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้านอกจากรักษาศีลได้ละเว้นการเสพอบายามุกได้ก็จะมีเงินมาทำบุญทำทานถ้าทำบุญทำทานด้วยละเว้นการกระทำบาปด้วยละเว้นการเสพอบายามุกด้วยตายไปก็จะได้ไปอยู่ในเทวโลกจะได้ไปเป็นเทวดา ระดับชั้นต่างๆเทวดาก็เหมือนกับตอนที่เราไปเที่ยวต่างประเทศกันดีๆนี่แหละเวลาเราไปต่างประเทศไปเที่ยวกันสนุกมมีความสุขไหมไม่ต้องทํางานไม่ต้องหาเงินมีแต่ใช้เงินอย่างเดียวเพราะว่าเราสะสมเงินไว้ตอนที่เรา อ, อยู่บ้านเราเราขยันทํางานอบ พยายามเก็บเงินไว้สะสมไว้พอมีจำนวนมากเราก็ตีตัว๋วจองโรงแรมจองที่พักเปลี่ยนเงินสกุลที่ประเทศที่เราต้องการจะไปแล้วเราก็ไปไปก็ไปเที่ยวกันอยากจะไปดูอะไรอยากจะไปฟังอะไรอยากจะไปกินอาหารของเขาอยากจะดื่ม เครื่องเดิมอะไรของเขาที่ไม่มีในบ้านเราเราก็จะทำกันได้อย่างสนุกสนานมีความสุขนั่นแหละคือโลกของเทวดาก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วเราฝันดีเวลาเรานอนหลับฝันดีก็แบบเดียวกับเวลาที่เราไปอยู่ในโลกของเทวดา เพราะตอนที่เราอยู่ในโลกเทวดาเราไม่มีร่างกายตอนที่เรานอนหลับฝันดีเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายร่างกายนอนหลับอยู่เฉยๆแต่ใจไม่ได้อยู่เฉยๆใจไปตามอำนาจของบุญที่ได้ทำไว้นั่นเองก็เลยจะได้ฝันดีฝันแต่เรื่องดีๆมีแต่ความสุขมีความสบาย มีความเพลิดเพลินอันนี้คือโลกของเทวดาถ้าเรานอนหลับแล้วฝันร้ายเนี่ยอันนี้แหละเป็นโลกของอบายโลกของเปรตถ้าเป็นเปรตก็จะฝันแต่เรื่องอดอยากขาดแคลนหิวโหยขาดนูน่นขาดนี่ได้มาก็ไม่พอได้มามากได้น้อยก็ไม่อิ่มไม่พอสถที นี่คือโลกของของเปรตจะฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องการอดอยากขาดแคลนถ้าโลกของอสุรกายก็จะฝันร้ายเกี่ยวกับเรื่องหวาดกลัวกับภัยต่างๆกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆเหตุภัยต่างๆสงครามโจรขโมยคนกันแกล้งคนบาดเบียดเบียนมีแต่เรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวส่วนถ้า ถ้าฝันไม่ดีถ้าเป็นนรกฝันก็จะฝันแต่มีเรื่องฆ่าฝันกันจองเวรจองกรรมกันจองร่างจองพรานกันอันนี้คือสภาพของดวงวิญญาณคือจิตใจของพวกเราที่ไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจที่กำลังทําบุญทําบาปอยู่ในขณะนี้อย่าไปคิดว่าไม่มีผลติดตามมาต่อไป อย่าไปคิดว่าตายแล้วศูนย์มันไม่ศูนย์ศูนย์ที่ร่างกายร่างกายตายร่างกายก็ศูนย์สลายไปกลายเป็นดินน้ำลมฝอยไปแต่ใจไม่ศูนย์สลายใจเป็นธาตุรู้ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่จะอยู่แบบในโลกของความฝันต่อไปอยู่ที่ว่าเราได้ทำบุญหรือทำบาป หรืออยู่ที่ว่าเราได้ละเว้นการกระทำบาปได้ทำบุญในระดับไหนถ้าเราอยากจะไปท่องเที่ยวก็มีที่ท่องเที่ยวอยู่สามระดับด้วยกันเทวโลกพรหมโลกแล้วก็โลกของพระอริยเจ้าเทวโลกก็ฝันดี พอเราได้ทาบุญทาทานอยู่สม่ำเสมอรักษาศีลได้อย่างสม่ำเสมอดวงวิญญาณก็จะเป็นเ ท, เทวดาไปถ้าเราเพิ่มการปฏิบัติศีลให้มากขึ้นแทนที่จะรักษาศีลห้าเราก็ไปรักษาศีลแปดแล้วนอกแทนที่จะไปทาบุญทาทานเราก็ไป ไปกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบสงดัดเพื่อทาจิตใจให้สงบทาจิตใจให้เป็นสมาธิเป็นฌานขึ้นมาถ้าได้สมาธิได้ฌานก็จะได้เข้าสู่พรมโลกที่มีความสุขความสบายมากกว่าเทวโลกพรมโลกก็มีอยู่ปดเก้าชั้นด้วยกัน ชาญสีรูปประชานสีอารูปประชานสีแล้วนิโรธสมาบัติเก้าชั้นด้วยกันนั่นคือชั้นของพรมชั้นของความสงบของใจที่มีความสงบมากน้อยต่างกันใจสงบมากก็จะมีความสุขมากใจสงบน้อยก็มีความสุขน้อยกว่าแต่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข ที่ได้จากการทำบุญทำทานรักษาศีลห้าถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าความสุขของเทวดาก็ต้องมาหัดถือศีลแปดกันแล้วก็มาหัดนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เข้าฌานขั้นต่างๆได้เข้ารูปฌปานสี่รูปฌานนิยากว่าอารูปฌาน อารูปปชา น, นี่ละเอียดกว่าต้องเข้าต้องผ่านรูปปชาญก่อนถึงจะเข้าอารูปปชาญได้รูปปชาญก็จะได้เป็นรูปปรพรม term. ถ้าอารูปปชาญก็จะได้เป็นอารูปปรพรมเป็นพรมที่มีความละเอียดมากกว่าพรมที่เป็นรูปปรพรมนี่คือ ดวงใจของพวกเราจิตใจของพวกเราที่เป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่ในขณะนี้ผู้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆบางทีก็ทำบุญบางทีก็ทำบาปทำไมต้องทำบาปด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าทำบาปแล้วจะขาดทุนนั่นเองยังคิดว่าทำบาปแล้วกาไรขโมยเงินแล้วได้เงินนี่มันกาไร คนไม่ขโมยเงินก็ไม่ได้เงินคนโกงได้เงินมากกว่าคนไม่โกงก็เลยคิดว่ากำไรไม่ขาดทุนเพราะคิดว่าตายไปแล้วศูนย์คิดว่าตายไปแล้วไม่มีการไปรับผลบาปผลบาปจะรับก็เฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่ถ้าถูกตำรวจจับถ้าไม่ถูกจับก็ไม่โดนลงโทษ เขาเห็นแค่ร่างกายเห็นโทษที่จะเกิดขึ้นที่ร่างกายแต่ไม่เห็นโทษที่จะเกิดที่จิตใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี่แหละนี่คือสาเหตุทำให้คนทำบาปกันเพราะเขาคิดว่าก็เพียงแต่รับโทษในขณะที่มีร่างกายเท่านั้นแล้วถ้าโชคดีก็อาจจะไม่ถูกจับ หรือถ้าถูกจับถ้ามีเงินมากก็ซื้ออิสรภาพก็ได้หนีไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เห็นไหมคนมีเงินนี่เขาเตรียมที่อยู่ต่างประเทศเตรียมเงินไว้แล้วพอถึงเวลาเขาก็หิ้วกระเป๋าใบเดียวขึ้นเครื่องบินหรือไม่เะ่นั้นก็ออกไปประเทศเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็ไปขึ้นที่ต่างที่ประเทศของเพื่อนบ้าน เพราะถ้าไปขึ้นที่ดอนเมืองลุศวันภูมิจะมีตํารวจคอยอคอยกักอยู่เอไปไม่ได้อขึ้นเครื่องที่สุวนณภูมิที่ดอนเมืองไม่ได้ก็ต้องไปขึ้นเครื่องที่ลาวหรือที่กัมเณนหรือที่สิงคโปร์หรือที่มาเลเซียเขามีวิธีพวงนี้เขาจึงไม่กลัวบาปกันเพราะก็คิดว่าเขา หนีบาปได้หนีหนีโทษของการทำบาปได้แต่เขาไม่รู้ว่าตายไปเนี่ยใจเขานี่หนีไม่ได้กฎแห่งกรรมนี้หนีกดแห่งกรรมไม่ได้กดแห่งกรรมนี่เป็นอัตโนมัติมันเป็นทันทีเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายเวลาไม่ตายก็ไม่มีความสุขอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบหวาดกลัวหวาดระแวง อยู่แบบหิวโหยจิตใจไม่มีความสุขแต่ร่างกายอาจจะอยู่ดีกินดีแต่จิตใจไม่ได้มีความสุขไปกับการอยู่ดีกินดีของร่างกายเพราะบาปมันคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่คือทำไมคนเราจึงกล้าทําบาปกันเพราะคิดว่า สามารถที่จะหลบหนีโทษของการกระทำบาปได้แล้วก็จะได้กำไรได้เงินเยอะๆได้ตำแหน่งใหญ่โตถ้าไม่ทำบาปนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งนี้บางทีก็ต้องอมีการแลกเปลี่ยนกันต้องหาเงินมาจ่ายถ้าจ่ายเงินนี่ตำแหน่งขึ้นเร็ว นี่จะมีเงินจ่ายก็ต้องหาเงินเดือนก็ไม่พอถ้าเอาเงินเดือนลองเงินเดือนมาจ่ายเพื่อซื้อตำแหน่งมันไม่มันไม่มีทางที่จะทาให้ขึ้นตำแหน่งได้แต่ถ้าไปคอร์รัปชันซะหน่อยเงินทองไหลมาเทมาก็สามารถเอาเงินทองนี้ไปซื้อตำแหน่งต่างๆได้ถ้าอยากจะเล่นการเมืองก็เอาไป หาเสียงได้พอหาเสียงได้ได้กลับมาเป็นลมอตอก็กลับมาอขอรับชันได้อย่างสบายรวกนี้เขาเลยไม่กลัวบาปกันพอพอเป็นลมาตแล้วจับก็ไม่มีใครกล้าจับนะถ้าจับก็ดูล่วงหน้าก่อน ม, มีสายสืบมาแจ้งบอกไว้ให้เขาจะจับแล้วนะ เรียมตัวหนีได้แล้วนะคนแหละไม่กไม่กลัวทำบาปกันยันญาติโยมอย่าสงสัยว่าทำไมคนทำบาปถึงได้ดิบได้ดีกันเพราะเขาได้ดิบได้ดีชั่วขณะที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นความดิบดีทางร่างกายเท่านั้นเองแต่ทางจิตใจเขาไม่มีความสุขเรา เวลาใครทำบาปแล้วนี่มันจะต้องมีความรู้สึกไม่ดีอยู่เรื่อยๆมีความหวาดภาวาวิตกกังวลกลัวมีใครรู้ใครเห็นใครไปแจ้งความใครไปทำอะไรที่จะทำให้เราต้องไปรับโทษเนี่ยถ้าเราไม่ทำบาปเนี่ยไม่ทำผิดกฎหมาย ใจเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเฉยๆเห็นตำรวจก็เฉย er ๆ er ตำรวจมาก็ทักทายกันเพราะเขาไม่ได้มาจับเราหรอกเพราะเราไม่ได้ทำผิดถ้าเขาจะจับก็คิดว่าเขาจับคนผิดซะมากกว่าแต่ใจจะไม่เดือดร้อนแต่คนที่ทำบาปนี้ทำผิดกฎหมายนี้บางทีตำรวจมาเยี่ยมเยือนมาทักทายก็เสียวูบขึ้นมาแล้ว คิดว่าตำรวจจะมาจับนะนี่คือความแตกต่างของจิตใจของผู้ที่ทำบาป ก, กับผู้ที่ไม่ได้ทำบาปผู้ที่ไม่ทำบาปจิตใจจะสบายแต่จะไ ม, ไม่ไม่ได้กำไรทางเงินทองไม่ร่ำไม่รวยมากอาจจะรวยแบบสุดจริญแต่อาจจะช้าหน่อย แต่พวกที่ต้องการความร่ำรวยต้องการความเป็นใหญ่ความวเป็นโตด้วยการกระทำบาปนี่เหมัอนเขาได้เยอะได้เงินเยอะได้ตำแหน่งใหญ่โตแต่นอ น, นอนคืนนอนนี่ต้องมีรล่ปพคอยเฝ้าคอยห้อมล้อมอยู่นี่คือทำไมคนเราถึงสมัยนี้ไม่กลัวบาปกัน พราะหนึ่งไม่เข้าวัดกันนะเอพอไม่เข้าวัดก็เลยไม่มีไม่เลยไม่รู้ว่าผลของบาบนี้เป็นอย่างไรคิดว่าผลของบาปก็อยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเองถ้าร่างกายถูกจับก็อย่างมากก็ติดคุกติดตารางหรือถ้าเป็นถ้าเป็นโทษหนักก็โดนประหารชีวิต บ า, าชีวิตก็ถือว่าเป็นธรรมดาเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีขณะที่อยู่อยู่แบบยากจนดีหรืออยู่แบบร่ำรวยดีกว่าอยู่แบบตอกต่อยหรืออยู่แบบยิ่งใหญ่โตเคนเราจริงเลือกอยู่แบบร่ำรวยอยู่แบบใหญ่โตดีกว่าแต่ถ้าจะต้องทำบาปเขาก็ไม่กลัวบาปเป็น แต่ถ้าเขามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังเรื่องของจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมาฟังเรื่องกฎแห่งกรรมที่จะม า, าจัดการกับจิตใจเวลาที่จิตใจทำบุญหรือทำบาปกฎแห่งกรรมนี้จะทำให้จิตใจสุขหรือทุกข์ขึ้นมาทันทีตั้งแต่ยังไม่ตาย ตายไปก็ยังไม่หมดตายไปก็ต้องไปเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆต่อไปเป็นดวงวิญญาณของเปรตของอสุรกายของนรกถ้าทำบาปถ้าไม่ทำบาปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าไม่ทำบาปแล้วยังได้ทำบุญด้วยก็จะเวลาก็จะไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆ ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปอยู่ในโลกของความฝันดีจะฝันดีไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังของบุญที่ทำไว้หมดกำลังก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปใหม่พวกที่เคยทำบุญก็จะกลับมาทำบุญต่อเพราะเวลาได้ทำอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัย ทำไมพวกเราจรึงมาวัดกันมีใครบังคับให้มาหรือเปล่าไม่มีใครออมันชอบมาออทำอะไรเป็นนิสัยแล้วมันจะชอบมันจะชอบทำในสิ่งที่เราเคยทามา เ, ออเหมือนกับเราเคยถนัดมือซ้ายกลับมาเกิดกี่ครั้งก็จะใช้มือซ้ายทุกครั้งไปกลับมาถ้าถนัดมือขวากลับมาเกิดก็จะใช้มือขวา ถ้าชอบกินเหล้าก็จะกลับมากินเหล้าชอบสูบบุหรี่ก็จะกลับมาสูบบุหรี่ชอบดื่มกาแฟก็จะกลับมาดื่มกาแฟถ้าไม่ชอบก็จะไม่ทำอันนี้อยู่ที่นิสัยเคยทำอะไรแล้วมันก็จะชอบสิ่งที่ไม่เคยทำมันก็จะไม่ชอบถ้าเคยทำบุญพอกลับมา จากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทำบุญต่อแล้วพวกที่ลงจากสวรรค์นี้จะลงมาแบบคนมีบุญบา ร, รมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสสวยงามมีนิสัยอัธยาศัยใจคอที่ดีมีความเมตตากรุณาบุดิตาอุเบกขานี่นี่คือนิสัยของเทวดาของพรหม ตรงนี้พวกที่ลงมาจากสวรรค์นี้จะเป็นคนที่มีความโอบอ้อมอารีเป็นคนที่ไม่โหดร้ายทารุณต่างกับพวกที่ขึ้นมาจากอบายพวกที่กลับมาจากอบายเหมือนพวกที่ไปทำสงครามหรือไปติดคุกติดตารางมาพอกลับมาก็จะใช้นิสัยเดิมเคยลักขโมยก็จะกลับมาลักขโมยเคยเดื่มสุราก็จะกลับมาดื่มสุรา เคยอาฆาตพยาบาทก็จะอาฆาตพยาบาทเคยโกรธใครเกลียดอะไรก็จะโกรธจะเกลียดเคยทารุณโหดร้ายกับใครก็จะมีนิ ส, สัยแบบนั้นกัดติดตัวมาแล้วรูปล่างหน้าตาก็ไม่ผ่องใสไม่มีบารามีดูแบบเป็นคนอาภัพวาสนาบารามีหน้าตาไม่สวยงาม แล้วบางครั้งก็อาจจะพิกลพิการอาการไม่ครบสามสิบสองหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขา ด, ขาดหรือไม่เช่นนั้นก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เรื่อยๆอายุก็จะสั้นนี่ผลของวิบากรรม ที่มันติดมาหลังจากที่กลับมาจากกบายแล้วมันยังมีผลเหล่านี้ติดมาด้วยถ้ามาจากที่สูงก็จะมีผลที่ดีติดมากลับมาเกิดก็จะรวยจะร่ำรวยกันจะมีฐานะการเงินการทองที่ดีเพราะเงินทองที่ได้ทํามำบอาไว้นั้นมันเป็นเหมือนเงินที่ฝากไว้ในธนาคารน พอกลับมาเกิดในโลกนี้ใหม่ก็ไปเบิกเงินที่ฝากไว้ได้เลยไปเบิกกับพ่อแม่ที่ร่ำรวยนมาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยถ้าไม่ได้เกิดในครอบครัวร่ำรวยพอไปทำงานทำมาหากินก็ขายดีขายดีมีความร่ำรวยขึ้นมาอย่างง่ายดายรวดเร็วนี่เรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของวิบาก ที่จะติดไปกับใจของพวกเราทุกคนแต่ก็ยังจะทำให้เรากลับไปกลับมากันอยู่ถ้าเราทำบุญได้เพียงระดับของพระของโพรมของเทพของพรหมถ้าของเทพก็ทำบุญให้ทานรักษาศีลห้าตายไปก็ไปเป็นเทพพอบุญหมดก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทำบุญใหม่ถ้าเป็นพรหมก็ทำบุญทำทานไ ม, ไม่ทำบุญทำทานรักษาศีลแปดไปปีกวิเวกไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิทร้งนี้ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วพอบุญที่ส่งไปหมดกำลัง ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มารักษาศีลมาบวชใหม่มาทำนั่งสมาธิใหม่เพราะเคยทำอะไรก็จะกลับมาทำอย่างนั้นโลกเราจึงมีคนที่ทำอะไรไม่เหมือนกันทำไมบางคนเขาบวชได้ทำไมเขานั่งสมาธิได้ก็เพราะว่าเขาเคยนั่งมาแล้วเขาเขาเคยทำมาแล้วจนติดเป็นนิสัยคนที่ยังไม่เคยทำก็ทำไม่ได้ คนที่ทำได้เพียงแต่รักษาศีลห้าทำบุญทำทานจะมาให้นั่งสมาธิก็นั่งไม่ไหวจะให้ไปอยู่คนเดียวก็เหงาจะให้ถือศีลแปดก็ถือไม่ได้ถือได้ก็สองสามวันอย่างที่มาถือกันนี่ถือกันสองสามวันก็กลับบ้านแล้วกลับไปถือศีลห้ากลับไปอยู่กับแฟนดีกว่า เพราะเคยอย่างนั้นเคยทำอย่างไรก็จะกลับไปทำอย่างนั้นโลกเราจึงมีคนที่ไม่เหมือนกันกดนักหลักธรรมคำสอนท่านบอกว่าการรมเป็นผู้จำแนกแยกสัตว์แยกบุคคลให้เป็นไปต่างๆกันคนเราต่างกันก็เพราะบุญบาปที่เราทำกันมานี่มันจะทำให้เราแยกกันเหมือนน้ำกับน้ํามันเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ น้ำกับน้ำมันต่อให้เทลงไปในขวดอันเดียวกันลองไปเขย่าให้มันเป็นอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ยอมเป็นอันเดียวกันน้ำมันมันจะอยู่กับน้ำมันน้ำมันจะอยู่กับน้ำพวกที่ทำบาปเขาก็จะไปอยู่กับพวกที่ทำบาปพวกที่เสพอบายมุขเขาก็จะไปเสพอบายมุขพวกที่ชอบไปตามบาตามผับตามบ่อนตามอะไร เขาก็จะไปที่เหล่านั้นพวกที่ชอบไปวัดเขาก็จะไปวัดกันนี่แหละคือเรื่องของบุญของบาป ท, ที่เราทำกันแต่นิสัยของเราที่ชอบทำบุญหรือทำบาสนี้เราสามารถเปลี่ยนได้หรือทำเพิ่มได้ถ้าเราเคยทำบุญทำทานรักษาศีลห้าแล้วเราอยากจะนั่งสมาธิ เราก็มาฝึกได้บังแต่เราต้องบังคับตัวเราให้มาถือศีลแปให้เพิ่มศีลแปดให้หัดนั่งสมาธิให้อยู่คนเดียวฝึกสติพุโทโธพุโทโธหัดทำไปเดี๋ยวก็ทำได้พวกที่มีนิสัยไม่ดีพวกที่ชอบเสพอบายามุกก็เลิกได้ถ้ารู้ว่าอบายามุกนี้มันเป็นโทษกับ ตอนเองมันก็อยู่ที่ว่ามีคนสอนมีคนบอกหรือไม่ถ้าไปอยู่กับกลุ่มที่เขาไม่เสพอบายามุขเขาก็จะดึงเขาก็จะบอกว่าอย่าไปเสพไม่ดีแล้วถ้าเราเห็นโทษของการเสพอบายามุขแล้วเราพยายามเลิกต่อไปเราก็เลิกได้เคยเล่นการพนันก็เลิกเล่นได้ก่อนเคยเที่ยวก็เลิกเที่ยวได้ แต่ต้องมีคนหรือมีสังคมค อ, คอยสอนคอยดึงไว้ถึงจะทำได้ถ้าตามลำพังนี้ยากนอกจากเป็นคนที่ไฝ่รู้ฝ่ายศึกษาค้นคว้าเปรียบเทียบคิดดูเปรียบเทีย บ, ดดย บ, ยบการกระทาของตนที่ที่ไม่ดีเห็นว่าไม่ดีก็อาจจะเลิกเองได้แต่ถ้าคิดไม่เป็นนี่ก็ต้องอาศัยคน ที่เขาฉลาดกว่าเป็นคนสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าดึงสอนให้พวกเราอย่าคบคนโง่ให้คบคนฉลาดเนเป็นมงคลอย่างยิ่งการครบคนโง่ก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรคนโง่ก็จะดึงให้เราไปทำในสิ่งที่งง่ๆก็ดึงให้เราไปทำบาปดึงให้เราไปเสพอบายามุขนี่เองนี่คือพวกคนโง่ พวกที่ชอบเสพอบายามุขพวกที่ชอบทำบาปคนฉลาดนี้เขาจะไม่เสพอบายามุขเขาจะไม่ทาบาปเขาจะทำบุญเขาจะฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาเข้าหาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าหมั่นฟังเทศฟังธรรมแล้วก็หมั่นปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนเขาก็จะพัฒนาจิตใจของเขาให้สูงขึ้นไปตามลำดับได้ เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์เวลาที่เราจะคบค้าสมาคมกับใครให้รู้จักเลือกคนอย่าไปเลือกที่รูปร่างหน้าตาเพียงอย่างเดียวอย่าไปเลือกที่กระเป๋าเงินทองของเขาฐานะการเงินของเขาต้องเลือกดูที่พฤติกรรมของเขาว่าเขามีพฤติกรรมไปในทางไหนถ้าไปในทางที่ไม่ดีก็อย่าไปคบกับเขา ชาเขาชอบอบายามุขชอบทำบาปอย่าไปคบกับเขาเดี๋ยวเขาจะชวนเราไปเสพอบายามุขชวนเราไปทำบาปเนี่ยเนี่ยพัทยานียไ ป, ปตกปลากันพวกที่ชอบตกปลาเดี๋ยวก็ชวนไปตกปลากตกปลาไปดื่มสุราไปตอนเย็นกลับมาก็ไปเล่นการพนันกันต่อไปเที่ยวกลางคืนต่อ ถ้าคบกับเขาเขาทำเขาชอบทําอะไรเขาก็จะชวนเราไปทําอย่างนั้นให้ประชอบคบกับคนเข้าวัดดีกว่าเดี๋ยวเขาก็ชวนมารักษาศีลแปดชวนมาอยู่วัดนชวนมาฟังเทศฟังธรรมชวนมาฝึกสตินั่งสมาธินี่เป็นสิ่งที่เราต้องจำเอาไว้การครบคนนี่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงนิสัยของเรา ถ้าคบคนดีจะช่วยเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ไม่ดีของเราให้เป็นนิสัยที่ดีได้ถ้าไปคบคนไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนิสัยที่ดีไปเป็นนิสัยที่ไม่ดีได้เยังต้องระมัดระวังอย่าไปเกงใจคนอย่าไปเสียดายเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ดีเขาชวนเราไปในทางที่ไม่ดีอย่าไปยอมเสียเพื่อนดีกว่าเสียความดีเสียพฤติกรรม ที่ดีเสียนิสัยที่ดีรักษาที่รักษานิสัยที่ดีไว้ดีกว่าอย่าไปเสียดดยเพื่อนเพื่อนหาได้เยอะแยะโลกนี้มีคนเป็นพันล้านหลายพันล้านด้วยกันจะหาคนดีๆคบไม่ได้เชียวเออไปคบคนไม่ดีทำไมคบคนไม่ดีเขาก็จะลากเราให้ไปทำไม่ดีแล้วต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดี ตายไปเราก็จะไปรับผลไม่ดีอ่นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการมาเปลี่ยนเงินตราสะกุลต่างๆเพราะว่าเราจะไม่อยู่ในโลกนี้ไปตลอดต่อไปเราจะต้องออกเดินทางไปสู่โลกทิพย์นะนั้นเราต้องเตรียมเงินไว้เงินที่เราจะไปใช้ ถ้าเราอยากจะไปอยู่ในโลกของเทวดาก็รักษาศีลให้บริสุทธิท์ทำบุญทมทานให้มากๆถ้าอยากจะไปอยู่โลกของพรหมก็ต้องถือศีลแปดแล้วก็ฝึกสมาธิทำใจให้สงบแต่ไม่ว่าจะเป็นโลกของเทวดาหรือโลกของพรหมหรือโลกของมนุษย์หรือโลกของอบายมันก็เป็นโลกชั่วคราวไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ พอมาเป็นมนุษย์ก็ยังต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ทุกกับการเกิดแก่เจ็บตายทุกกับการพลัดพรากจากกันเอถ้าไม่อยากจะมาเจอความทุกข์เหล่านี้ก็ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนเงินเป็นเป็นสกุลของพระอริยเจ้าเอถ้าเป็นพระอริยเจ้านี้ท่านจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเอ แต่ตอนต้นท่านก็ยังจะกลับมาเกิดอยู่แต่เกิดน้อยลงไปเรื่อยๆพระอริยเจ้ามีอยู่สี่ระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งระดับที่สองก็จะกลับมาเกิดเพียงครั้งเดียวในโลกของมนุษย์เนเรื่องของเทวดากามโลกกามภพถ้าเป็นขั้นที่สามก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาต่อไป แต่ยังต้องไปเกิดเป็นพรมพอีกต่อหนึ่งแล้วพอได้ขั้นที่สี่ก็จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปอ น, นี่คือขั้นของพระอริยเจ้าโลกของพระอริยเจ้าจะไปที่โลกนี้ได้นี้นอกจากถือศีลปนั่งสมาธิแล้วยังต้องมาสั่งสอนจิตใจให้เกิดปัญญาขึ้นมา ให้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรทมที่ต้องเห็นเห็นอริยสัจสีเห็นตายรักเห็นอรสุภาเห็นปฏิกูลเห็นสิ่งสกปกในอาหารต้องเห็นสิ่งเหล่านี้มันถึงจะตัดตัวที่คอยฉุดรากให้จิตใจกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆถ้ายังเห็นว่าคนนั้นยังสวยคนนี้ยังหล่ออยู่ ก็ยังชอบเขาอยู่ยังติดเขาอยู่ก็อยากจะกลับมาอยู่กับเขาสังเกตดูเวลาเราเห็นคนที่เราชอบเป็นยังไงใจเรานี่อยากจะไปอยู่ใกล้เขาไห อ, อนั่นแหละความอยากมันดึงใจไปถึงแม้ร่างกายจะไม่ได้อยู่ใกล้เขาแต่ใจมันไปแล้วออถ้าอยากจะดึงใจกลับมาก็ต้องดูในส่วนที่เขาไม่สวยไม่หล่ อ, อดูเข้าไปในใต้ผิวหนังดู ตัดคอเขาดูตัดศีรษะเขาออกมาดูหน้าเขาตัดเอาหน้าเขาตัดคอออกมาแล้วดูแกะเปลือกหน้าว่าหน้าตามันมีอะไรบ้างลอกผิวหนังออกมาก็จะได้เห็นกระโหลกศีรษะที่อยู่ภายใต้หน้าตาที่สวยงามที่หล่อเหลาหรือจะเห็นไวิวยาวะส่วนอื่นก็ถ่าออกมาดู ดูปอดดูหัวใจดูตับดูลำไส้ดูโครงกระดูกถ้าเห็นอวัยวะต่างๆเหล่านี้แล้วความรักความชอบที่จะคิดถึงเขาก็หายไปหมดถ้ายังถ้ายังคิดถึงเขาก็ต้องพยายามคิดถึงอวัยวะต่างๆอย่าคิดแต่หน้าตารูปร่างลองคิดเข้าไปภายใต้ผิวหนัง ถึงจะเห็นส่วนที่ไม่น่าดูที่จะทำให้เราไม่คิดถึงเขาได้ถ้าชอบกินอาหารชอบคิดถึงอาหารก็อย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในซ้วมซ้วมนี่ก็เป็นที่รับอาหารเป็นจานที่รับรองรับอาหารเหมือนกันอาหารที่ย่อยแล้วอาหารที่ได้รับการ การบำบัดจากร่างกายแล้วก็ส่งไปที่ซ่วมพอเห็นอาหารที่ออกมาจากจากร่างกายก็ไม่อยากจะกินนะทุกครั้งที่หิวอยากจะกินอาหารยังที่ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ถึงเวลากินเช่นพวกถือศีลแปดพอตกเย็นนี่หิวอาหารคิดถึงอาหารถ้าอยากจะทำให้ไม่หิวให้คิดถึงอาหารที่ที่อยู่ ที่อยู่ในปากก็ได้เวลามันเคี้ยวกบเคี้ยวผสมกับน้ำลายลองคลายมันออกมาดูแล้วก็ตักเข้าไปใหม่ตาราอยู่ในปากก็ลังเคี้ยวนี่อร่อยไหมแสนอรเด็ดอร่อยไหนลองคลายมันออกมาใส่จานแล้วก็ตักเข้าไปใหม่มันอร่อยนะขอดูหน้าตาหน่อยว่าหน้าตาของความอรเด็ดอร่อยมันเป็นอย่างไรออ patron. เออให้คิดอย่างนี้หรือเวลามันอยู่ในท้องแล้วอาเจียนออกมา เวลาอยู่ในท้องอยู่ได้เวลาเจียนออกมาเอากลับเข้าไปในท้องไม่ได้แล้วใช่ไหมทำไมเอากลับไปไม่ได้ร่างกายมันไม่สนใจหรอกยัดๆเข้าไปใหม่ตักเข้าไปเกินเข้าไปใหม่แล้วเกินไม่ลงลใจมันไม่ยอมรับอาหารแบบนั้นนะนี่คือวิธีการแก้ความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะมาดึงใจให้กลับไป กลับมาเกิดอยู่เลยให้กลับมาหาคนนั่นคนนี้ให้กลับมาหาอาหารอันโอชะต่างๆอหูป่าฉลามเอ้ยคาเวียเอ้ ย, อยพิซซ่าเอ้ยแมคโดนัลล์เอ้ยเคเอซเอ้ยอะไรก็ร้อยแปดอาหารอิตาเลียนเอ้ ย, อยกินกันเวลากินมองแต่ในจานไม่เคยมองในปากในท้อง ไม่เคยมองตอนที่มันออกมาจากทางทวารหนักเลยมันก็เลยหลงมันก็เลยหลงติดคิดทีไลก็อยากจะกินทุกทีตายไปก็จะกลับมาหาอาหารเหล่านี้ก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าใช้วิธีของบุตเจา้าใช้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเห็นนี่แหละคือดวงตาเห็นธรรมเห็นอสุภะเห็นอุจจาระนี่แหละเรียกว่าเห็นธรรม <c oughs> เห็นความตายก็ได้เห็นความตายของสิ่งต่างๆความสิ้นสุดลงของสิ่งต่างๆเวลาได้อะไรมาดีใจมีความสุข <c oughs> พอเวลาเขาตายไปก็ทิ้งให้เราเปล่าเปลี่ยวเดียวดายว่าเว ได้แฟนมาก็มีครับสุขพอเขาตายไปก็เศร้าส้อยงอยเหงาได้เครื่องเล่นต่างๆมาก็ดีอกดีใจเล่นกับมันไปพอมันหมดก็เสียอกเสียใจเศร้าส้อยงอยเหงาให้มองทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดแล้วดับอนัตตาเราไปควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้ ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปไม่ช้า ก, ก็แล้วเวลาจากมันก็จะทำให้เราทุกข์เนี่ยท่าเรียกว่านิจังทุกขังอนัตตามองให้เห็นทุกอย่างว่าเป็นนิจังทุกขังอนัตตาเช่นอะไรลาบยศสรรเสริญสุขที่เราอยากได้กันเนี่ยเวลาได้มามีความสุขไหมได้ลาบดีใจกันถูกลอตเตอรี่นี้ดีใจแต่เวลามันหมดแล้วทำไง เวลาใช้หมดแล้วทำยังไงเดือดร้อนนะสิไม่มีเงินใช้ทุกข์ละสิมันไม่มันจะไม่ได้มาอย่างเดียวมันจะต้องมีเสียลาบยศสรรเสริญสุขนี่มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมมีเกิดแล้วก็มีดับมีมาแล้วก็มีหมดมาแล้วเดี๋ยวก็หมดได้เงินมาจะเก็บไว้เฉยเฉยได้ยางไงถ้าไม่อยากให้มันหมดก็ต้องเก็บไว้เฉยเฉย ถ้เาเก็บไว้เฉยๆมีไว้ทำไม <c oughs> ได้มาก็ต้องการเอาไปใช้พอมันใช้แล้วเดี๋ยวมันก็หมด <c oughs> พอหมดก็เศร้าไม่มีเงินใช้ก็เศร้าได้แฟนมาก็ดีใจพอแฟนทิ้งเราก็เลิกกับเราเราก็เสียใจเห <c oughs> มันไม่ว่าจะได้อะไรมาเดี๋ยวจะต้องมีการหมด <c oughs> มีการพัดภากจากกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่า ไ, ได้อย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากได้ลาบยศสรเสริญสุขนี่แหละคือธรรมะคือปัญญาที่เราเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังพระอนยานโกนทัญญะเป็นพระองค์แรกเป็นสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าที่เห็นอนิจจังพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมครั้งแรกคนที่ฟังมีอยู่ห้าคน หนึ่งในห้าคนก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเมื่อเกิดก็สุขเวลาดับก็ทุกข์แล้วก็ห้ามมันไม่ได้ก็เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ทันทีเป็นพระโสดาบันขึ้นมา เพราะท่านเห็นร่างกายว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเก็บไว้กับเราไปตลอดไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปนี่คือมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นแล้วก็ปล่อยวางร่างกายไม่อยากมีร่างกายอีกต่อไป แต่ยังยังปล่อยร่างกายของคนอื่นไม่ได้ยังเห็นร่างกายของคนอื่นสวยงามอยู่ก็ต้องมองดูดวงตาเห็นธรรมอีกอันหนึ่งก็คือเห็นอ ส, สุภะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของคนที่เรายังไปหลงรักยังไปชอบอยู่พอเห็นว่าร่างกายของเขาไม่สวยไม่งามแล้วทีนี้ก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป เพราะรัจะกลับมาเกิดทาไมเพราะไม่มีความต้องการอะไรจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วลาบยศสรรเสริญสุขไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการความสุขจากใครทั้งนั้นเพราะเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามร่างกายของคนไม่สวยไม่งามเห็นว่าสิ่งต่างๆดียังไงเดี๋ยวมันก็ต้องหมดพอหมดมันก็ทำให้เราเศร้าถ้าไม่อยากเศร้าก็อย่าไปมีมัน อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับสมาธิอยู่กับฌานดีกว่าความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็คือความสงบแตความสงบระดับฌานนี้ก็ยังก็ยังไม่เที่ยงเหมือนกัน ก็ต้องปล่อยเหมือนกันพอปล่อยร่างกายได้แล้วก็ต้องมาปล่อยความสงบที่ได้จากสมาธิอีกทีหนึ่งพอปล่อยแล้วทีนี้ก็จะได้นิพพานต่อไปได้ความสงบที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่มีวันเสื่อมอนี่คือการที่เราจะไปแบบไม่กลับเราต้องเปลี่ยนเงินสกุลของพระอริยเจ้าไปอยู่โลกของพระอริยเจ้า คือเราต้องถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยยี่บเจ็ดเป็นนักบวชแล้วก็นั่งสมาธิทําใจให้สงบให้ได้ฌานขั้นต่างๆพอได้ฌานแล้วทีนี้ก็เอาหยิตที่มีฌานนี่มาสอนให้เห็นให้เห็นดวงตาเห็นธรรมให้มีให้เห็นธรรมใ ห, หให้มีดวงตาหเห็นธรรมขึ้นมา ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเช่นลาบยศสารเสริญสุขในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นร่างกายของคนว่าไม่สวยไม่งามให้เห็นว่าอาหารต่างๆที่เราชอบกินชอบดื่มนี้่ อ, อไม่สวยไม่งามไม่น่ากินตอนที่มันถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่น่ากินอย่าไปเห็นตอนที่มันอยู่ในจานอยู่ในชามเห็นแล้วน้ําลายไหล ต้องเห็นตอนที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องได้เห็นภาพเหล่านั้นแนละ้วมันจะไม่อยากกินแล้วใจก็จะไม่มีการความอยากกับอะไรต่อไปไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอยู่แบบสงบไปตลอดเวลาไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาทุกข์กับการพัดพากจากกัน ไม่ต้องมาทุกข์กับการดิ้นรนหาหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกายไม่ต้องมาวิตกกังวลกับภัยต่างๆที่จะมาคุกคามกับชีวิตร่างกายมีร่างกายแล้วมันมีปัญหาเยอะถึงแม้ว่าจะได้ความสุขแต่ก็เป็นความสุขแบบเล็กๆน้อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ที่ได้มามันไม่คุ้มค่า เหมือนความสุขที่ได้จากการไปพุกเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ยมีเหยื่อชิ้นเล็กๆ ก, กินเข้าไปติดที่ฟันแต่ก็ไปถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเจ็บปะเจ็บไปจนวันตายเนี่คือความสุขในโลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข <c oughs> ์มากกว่าหลายร้อยเท่าอยากลับมาเกิดดีกว่า การจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องปฏิบัติต้องบวชต้องถือศีลนักบวชต้องนั่งสมาธิทำใจให้เป็นฌานเป็นอัปปนาสมาธิได้สมาธิออกจากสมาธิมาก็ต้องศึกษาไปรักศึกษาทุกอย่างในโลกนี้ให้เห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเป็นไม่ใช่เป็นของเราเก็บไว้ครอบครองเป็นของเราไปได้ไม่ตลอด เก็บรักษาไว้ได้ชั่วคราวเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องมีการจากกันไปพอเกิดการพัดพากจากกันก็จะเกิดความร้องหม่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี่คือปัญญาต้องหมั่นพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นอสุภะให้เห็นปฏิกูลของอาหารแล้วต่อไปเวลาเห็นอะไรจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร เอาความสุขจากการไม่มีไม่อยากได้อะไรดีกว่าเวลาใจหมดความอยากนี้ใจจะมีความสุขขึ้นมาโดยอัตโนมัติความสุขของใจนี้ถูกความอยากมันบดบังไว้เหมือนเมฆที่มันบดบังแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์พอเรากำจัดเมฆออกไปได้เราก็จะเห็นแสงอาทิตย์สว่างทันที จิตใจของพวกเราที่ไม่มีความสุขในตัวมันเองก็เพราะถูกความอยากมามาบดบังความสุขที่มีอยู่โดยธรรมชาติของจิตใจทุกดวงพอได้กำจัดความอยากต่างๆที่มาบดบังความสุขของใจนี้หมดไปความสุขของใจก็เป็นปังขึ้นมาโดยทันทีเนี่ความสุขของพระนิพพานเนี่ยเป็นความสุขธรรมชาติเป็นธรรมชาติมันมีอยู่เดิมแล้วแต่เรา เอาความอยากมากบมันไว้ถ้าเราเอาความอยากออกไปจากใจให้หมดความสงบสุขของใจความสุขที่แท้จริงที่ถาว ر นี้ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีเรามีความสุขอยู่ในใจเราแล้ ว, ลวเรามีนิพพานอยู่ล้วแล้วแต่เราไม่เราไ ม, เาไม่เราไม่ใช้มันเรากลับไปเอาความอยากมาใช้แทนความอยากมันก็เลยทำให้เกิดความหิวความโหยขึ้นมา ถ้าเรากาจัดความอยากหมดไปความความสุขของใจที่มีอยู่ตลอดเวลาก็จะโผล่ขึ้นมาเองไม่ต้องไปหามันความสุขที่แท้จริงมีอยู่ในตัวเราแล้วเพียงแต่เราต้องกําจัดไอ้ตัวที่มาบดบังความสุขค น, นี้เหมือนเราต้องกําจัดเมฆที่มาหุ้มห่อดวงอาทิตย์นี่มาบดบังดวงอาทิตย์วันไหนมีเมฆเมฆฝนคริ้มนี่แทบจะไม่มีแสงอาทิตย์เลย พอพอเมฆฝนหายไปหมดแล้วเป็นไงสว่างขึ้นมาเลยใจก็เหมือนกันความสุขของใจที่เป็นนิพพานนี่จะปรากฏขึ้นมาทันทีถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละการปฏิบัติธรรมในระดับพระอริยะเจ้าก็ปฏิบัติเพื่อกำจัดความอยากเหล่านี้การปฏิบัติ ระดับเทพระดับพรหมนี้ไม่ได้กําจัดเพียงแต่ยับยั้งมันไว้ห้ามมันไวเท่านั้นเองแต่ถ้าต้องการกําจัดมันต้องระดับของพระอริยเจ้าต้องระดับปัญญาต้องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะเห็นเห็นปฏิกูลเอ แล้วมันจะกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้พอหมดสิ้นแล้วใจก็จะสว่างสวัยขึ้นมาด้วยความสุขที่ถาวรที่เรียกว่าบรมสุขนิ่ปานังปลมังสุขขังไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในใจของพวกเราตอนนี้เราให้เรากำจัดตัวที่มาหุ้มห่อมาบดบังความสุขกันนี้คือกิเลสตัณหานี่เอง ถ้ากำจัดได้หมดใจเราก็จะมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาจะ ก, กำจัดได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาในระดับของนักบวชนะถ้าปฏิบัติในระดับของนักบวชได้เดี๋ยวก็กำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปได้แล้วนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีนี่คือการมาเตรียมเงินปลาต่างประเทศ ที่เราจะต้องไปใช้ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราต้องออกเดินทางจากโลกนี้ไปเราจะไปอยู่ระดับไหนก็อยู่ที่เงินที่เราแลกไปถ้าทำบุญทำทานรักษาศีลห้าก็ไปแค่ชั้นเทวโลกถ้าถือศีล8นั่งสมาธิก็ไปพรห ม, มโลกถ้าถือศีลแนั่งสมาธิ แล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมก็ไปสู่โลกของพระอริยเจ้าทุกคนเลือกทำได้เป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยของพวกเราทุกคนอยู่ที่เพ า, าพวกเราอยากจะได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองถ้ามีความอยากได้แล้วมันก็ขวนขวายไปเองเดี๋ยวมันก็ได้เองถ้าไม่อยากได้มันก็จะไม่ขวนขวาย แต่ต้องมองถึงผลลบถ้าไม่ได้นิพพานนี้จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆสู้ยอมไปบวชแล้วไปปฏิบัติเพื่อให้ไม่ให้กลับมาเกิดไม่ดีกว่าเรอยจะได้ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปอแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอ an ิจิตังปะทิต um ังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปนะหระโสยธามณิโชติหราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวา อาพิวาทานสีิทสานิจังวุธาปจายโนยัตตาโรธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัอใครมาที่หลังอยากจะเข้ามาถวายข้าวของก็ยังเข้ามาได้อยู่ เดี๋ยวใครอยากจะฟังคำถามตอบปัญหาธรรมก็ยังมีช่วงหนึ่งใครอยากจะกลับบ้านฝนฟ้าจะตกก็กลับได้ไม่รับประกันว่าอยู่แล้วจะไม่ตกฝนมันเป็นอนัตตาไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้มันจะตกก็ต้องตกมันเป็นอนิจจังตกแล้วก็หยุดหยุดแล้วเดี๋ยวก็ตกสลับไปสลับมา วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยเจ็ดสิบครับ y o u t u สองร0อยยี่สิบวิทยุออนไลน์สามสิบสองรับฟังข้างบนภูเขานี้สี่สิบสองคนในไอจียี่สิบคนรวมทั้งหมดหกร้อยแปดสิบสี่ครับมีมีถ่ายทอดสดสามทางไ อ, อ, อ g f a c e b o o k อตอนนี้เสียงมันดังมากเสียงฝนต้องนั่งเฉยๆสักพักหนึ่งนะนั่งหลับตานั่งสมาธิกันชั่วคราวนั่งพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจฝนก็เบาลงแล้วเวลาก็หมดพอดีอขอให้ท่านทั้งหลายจงนมสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญ ก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ